มาเป็นแกนยึดเหนี่ยวในการดาเนินชีวิตและเป็นประทีปสองทางในการที่จะฝ่าฟันความมืดมนอนุการของวิกฤตต่างๆที่สาธุชนกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนั้นไปสู่แสงสว่างแห่งการดาเนินชีวิตจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟัง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 เป็นผู้ใหญ่ประกอบกิจการงานในอาชีพใดๆก็เพียรขวนขวายประกอบกิจการงานในอาชีพนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิง้งไม่ละวางและความภาคเพียร น, นั้นไม่ใช่แต่เพียงภาคเพียรที่จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่อย่างเดียวพึงภาคเพียรเอาใจใส่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 ช่วยพยุงฐานะของตนมิให้ตกต่ำและให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือคุณธรรมข้อที่สามที่ว่ากัลยาณมิตรตาถ้าหากเผลอพลไ ป, ไปคบคาสมาคมกับคนชั่วคนพานปัญญาชั่วปัญญาโฉดทั้งหลายแล้วย่อมนำตนเองไปสู่ความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนได้ไม่ช้าก็เร็วจึงพึงละวาง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 ไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟื่อยนะพอเหมาะพอดีรู้จักแบ่งปันทรัพย์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆตามสมควรเช่นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีพอเหมาะพอควรการสงเคระาะห์ญาติมิตรบุตรภรรยาการบริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้าง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 ผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสี่ข้อนี้คืออุทธธานะสัมปทาประกอบด้วยหรือถึงพร้อมด้วยความเพียรอารักกสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาการยาณมิตรตาถึงพร้อมด้วยการครบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนและสมาชีวิตาการประพฤติปฏิบัติตนให้พอเหมาะพอดีกับทรัพย์สินที่ทํามมาหาได้โดยสุจริต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 ทำให้ฐานะของตนเองและครอบครัวสุดลงไปสุดลงไปยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณทรรมทั้งสีนี้พึงรับปฏิบัติเถิดจะกล่าวเป็นคาถาย่อๆก็คืออุอากาะขอทุกท่านจงจำไว้ว่าในปีใหม่นี้ตั้งใจรับเอาธรรมนี้ประโยชน์ในปัจจุบันไปใช้เป็นคุณธรรมของบัณฑิตส่วนว่าประโยชน์ภายหน้านั้น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 ไม่มั่วในกิเลสกามไม่ลักช่อและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเหล่านี้เพียงห้าข้อนี้ถ้ารับรักษาประพฤติปฏิบัติให้ดีก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขให้เกิดแก่ตนเพราะไม่เป็นความประพฤติปฏิบัติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น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 สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงการเจริญปัญญาเช่นนี้จะเจริญขึ้นได้ก็ด้วยทั้งสุตตมไมปัญญาจินตมไมปัญญาแต่สูงที่สุดที่จะขัดเกลาปัญญาให้แจ่มแจ้งเฉียบคมและบริสุทธ์ก็ด้วยภาวนาไมปัญญาอาตมาขอถือโอกาสนี้ให้ธรรมะ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 แสดงไว้ดีแล้วนั้นยากที่จะเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเพราะฉะนั้นการรับธรรมนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นทางให้เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงขอธรรมนี้เป็นพรสำหรับทุกท่านในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขของทุกท่าน ในโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิ์ที่เฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลายพระปัจเจพุทธเจ้าและพระอรหันตตาขีนาสพเจ้าทั้งหลายและของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอจงได้โปรดมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครอง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 จงปราศจากความทุกข์ความสุขโรคภัยทั้งปวงขอกุศลผลบุญทั้งหลายจงได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากเหตุแห่งทุกข์และถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจด้วยการประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฐิและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ จเจริญรุ่งเรืองในบรวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรสีผลสีและนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวตลอดสิ้นกาลนานทุกท่านโดยทั่วหน้ากันพืนสุขโผุนยศอุจโย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 ด้วยความสันติสุขด้วยธรรมะสำหรับวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้ในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจวาวาดขอตั้งกรารญาณกิจ น้อมอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิสิทธิเขี้บขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีณาศพพระพุทธเจ้าองค์ตนทาตุนธรรมทุกๆพระองค์และประเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้สอนวิชาธรรมกายขอจงมาเป็นตบะเดชะพ ร, ระละปัจจัยคุ้มครองสาธุชนผู้รับฟังรายการ